Book 2ูแปด8ิบ8อดีตการของกริยาช่วย2 e s เ u e ควาเรเอฟโ e ล o เวโมดัลเดือเ ลูกชายของผมไม่อยากเล่นตุ๊กตาที่อาลิมนุกต้เลอกคลี่อเตลูนเกูลลูกสาวของผมไม่อยากเล่นฟุตบอลไวซาอิเมนุกต้องเต l ลูอัน f ตฟุตบอลไวซาอิเมนุองเ l ะ <Football. S 1> ภรรยาของผมไม่อยากเล่นหมากรุกกับผ ม, ออมว อ, มอนุกมมั ก, ล, กมมลูกๆของผมไม่อยากไปเดินเล่นมีเต ด, ดินินชอ นุกดอนินทัดดินินพวกเขาไม่อยากจัดห้องพวกเขาไม่อยากไปนอนท konin เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีมนุกิเลยอยทหารตาอักลลอรนุกิเลยยทหารตอักลลอรเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลตนุกิเลยย่อทหารตชอกลตนุกิเลย์ย่อยทหาตช็อกโกวัต เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวา น, นหทหาร k a r a ผมได้รับอนุญาตให้ขอพรอเรย e เวเลย์โอเฮ่ท ผมได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุดเมเลียให้ทับเลียนุฟสตันเมเลียให้ทับเผมได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลตเมเลียให้ทอ e เมรี่ช็อปช็อกโกแลตเมเลียให้ทอมเม คุณสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรืออัตเลย no ีลยอเฮทบีเอตูฮันนอแอร์อปลัอัตเลียเฮทบีเอตูฮันนอแอร์อปลัคุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรืออัตเลยอเฮทีเอบีร์นอสิลอัตเลยเฮทบีเอบีร์นอสิล คุณนำสุ น, นัขเข้ามาในโรงแรมได้หรืออตอยเยห์ให้ทอมารีชินินเมาเ n เนเทลอัตเลียห์ใหอมาชนินมาเวเตในโฮเในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลาเ็ดษเมอวมมมเว พวกเขาเล่นที่สนามได้นานยูเลียเฮตกล้ ว, วนินจัตเนอบอรพวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้ท